จำแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยความคิดจำแนกแบบนี้คือสืบสาวสาเหตุปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์สืบทอดกันมาของสิ่งหรือปรากฏการณ์ต่างๆทาให้มองเห็นความจริงที่สิ่งทั้งหลายไม่ได้ตั้งอยู่ลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้ดำรงอยู่เป็นอิสระจากสิ่งอื่นๆและไม่ได้ดำรงอยู่โดยตัวของมันเอง แต่เกิดขึ้นด้วยอาศัยเหตุปัจจัยจะดับไปและสามารถดับได้ด้วยการดับที่เหตุปัจจัยการคิดจำแนกในแงน่นี้เป็นวิธีคิดข้อสำคัญมากอย่างหนึ่งตรงกับวิธีคิดแบบที่หนึ่งที่กล่าวแล้วข้างตน้นคือวิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยหรือวิธีคิดแบบอิทัิปัจยตาซึ่งนอกจากจะได้บรรยายในวิธีคิดแบบที่หนึ่งแล้ว ยังได้บรรยายไว้อย่างยืดยาวในบทว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทความคิดที่ขาดความระหนักในความสัมพันธ์ทำให้คนโน้มเอียงไปในทางที่จะยึดความเห็นสุดทางข้างใดข้างหนึ่งเช่นยึดถือสัตตาวาทะมองเห็นว่ามีอัตตาที่ตั้งอยู่เที่ยงแท้นิรันดรหรือยึดถืออุเฉทวาวาทะมองเห็นว่าอัตตาต้องดับสิ้นขาศูนไป ทั้งนี้เพราะเมื่อเผลอลืมมองความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยก็มองเห็นสิ่งนั้นตั้งอยู่ขาดลอยโดดแล้วความเห็นเอียงสุดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จึงเกิดขึ้นแต่ภาวะที่เป็นจริงของสิ่งทั้งหลายไม่ได้ขาดลอยอย่างที่คนตัดตอนมองเอาอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันขึ้นต่อกันและสืบทอดกันเนื่องโดยปัจจัยย่อยต่าง ความมีหรือไม่มีไม่ใช่ภาวะเด็ดขาดลอยตัวภาวะที่เป็นจริงเป็นเหมือนอยู่กลางระหว่างความเห็นเอียงสุดสองอย่างนั้นความคิดแบบจำแนกด้วยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยช่วยให้มองเห็นความจริงนั้นตามแนวคิดที่กล่าวนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมอย่างที่เรียกว่าเป็นกลางๆงคือไม่กล่าวว่า สิ่งนี้มีหรือว่าสิ่งนี้ไม่มีแต่กล่าวว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีหรือว่านี้มีในเมื่อ น, นั้นมีนี้ไม่มีในเมื่อ น, นั้นไม่มีหลักความจริงที่แสดงอย่างนี้เรียกว่าอิทัปัญญาตาหรือปฏิจจสมุปบาท และการแสดงหลักความจริงนี้เรียกว่ามัชเชนธรรมเทศนาจึงอาจเรียกวิธีคิดแบบนี้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าวิธีคิดแบบมัชเชนธรรมเทศนาหรือเรียกสั้นๆว่าวิธีคิดแบบมัชเชนธรรมการจำแนกด้วยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยนั้นนอกจากช่วยไม่ให้เผลอมองสิ่งต่างๆหรือปัญหาต่างๆอย่างโดดเดี่ยวขาดลอย และช่วให้ความคิดเดินได้เป็นสายไม่ติดตันแล้วยังครอบคลุมไปถึงการที่จะให้รู้จักจับเหตุปัจจัยได้ตรงกับผลของมันหรือให้ได้เหตุปัจจัยที่ลงตัวพอดีกับผลที่ปรากฏด้วยความที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับความสับสนที่มาเกิดขึ้นกับคนทั่วไปสามอย่างคือ1การนําเอาเรื่องราวอื่นๆ นอกกรณีมาปราปนสับสนกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณีเช่นเมื่อบุคคลที่ไม่สู้ดีคนหนึ่งได้รับผลอย่างหนึ่งที่คนเห็นว่าเป็นผลดีมีคนอื่นมาพูดว่านายกหรือนายขอซึ่งเป็นคนดีมากมีความดีหลายอย่างอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมจึงไม่ได้รับผลดีนี้บางทีความจริงเป็นว่าความดีของนายกหรือนายขอที่มีห ล, หลายอย่างนั้น ไม่ใช่ความดีที่สำหรับจะให้ได้รับผลเฉพาะอันนั้นวิธีคิดแบบนี้ช่วยให้แยกเอาเรื่องราวหรือปัจจัยอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากเหตุปัจจัยที่แท้จริงของกรณีนั้นได้ความหมายข้อนี้รวมถึงการจับผลให้ตรงกับเหตุด้วยคือเหตุปัจจัยใดเป็นไปเพื่อผลใดหรือผลใด พึงเกิดจากเหตุปัจจัยใดก็มองเห็นตรงตามนั้นไม่ไข้เขวสับสน 2. ความไม่ตระหนักถึงภาวะที่ปรากฏหรือผลที่คล้ายกันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างกันและเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันอาจไม่นำไปสู่ผลอย่างเดียวกัน เช่นพิษุอยู่ป่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็มีไม่สรรเสริญก็มีโดยทรงพิจารณาสุดแต่เหตุคือเจตนาอีกตัวอย่างหนึ่งการได้ทรัพมาอาจเกิดจากการขยันทำการงานจากการทำให้ผู้ให้ทรัพพอใจหรือจากการลักขโมยก็ได้คนได้รับการยกย่องสรรเสริญอาจเกิดจากการทำความดี ในสังคมที่นิยมความดีหรือเกิดจากทำอะไรบางอย่างแม้ไม่ดีแต่ให้ผลที่สนองความต้องการหรือเป็นที่ชอบใจของผู้ยกย่องสรรเสริญ น, นั้นก็ได้ในกรณีเหล่านี้จะต้องตระหนักด้วยว่าเหตุปัจจัยต่างกันที่ให้เห็นผลเหมือ น, อนกันนั้นยังมีผลต่างกันอย่างอื่นๆที่ไม่ได้พิจารณาในกรณีเหล่านี้ด้วย ในทำนองเดียวกันคนต่างคนทำความดีอย่างเดียวกันคนหนึ่งทาแล้วได้รับการยกย่องสรรเสริญเพราะทำในที่เขานิยมความดีนั้นหรือทำเหมาะกับการเวลาที่ความดีนั้นก่อประโยชน์แก่คนที่ยกย่องอีกคนหนึ่งทำแล้วกลับไม่เป็นที่ชื่นชมเพราะทำในที่เขาไม่นิยมความดีนั้นหรือทำแล้วเป็นการทำลายประโยชน์ของคนที่ไม่พอใจ หรือมีความบกพร่องในตนเองอย่างอื่นของผู้กระทำความดีนั้นดังนี้เป็นต้นในกรณีเหล่านี้จะต้องตรหนักด้วยว่าเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันที่ยกขึ้นพิจารณานั้นไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยทั้งหมดที่จะให้ได้รับผลอย่างนั้นความจริงสภาพแวดล้อมและเรื่องราวอื่นๆก็เป็นปัจจัยร่วมด้วยที่จะให้เกิด หรือไม่ให้เกิดผลอย่างนั้น 3. การไม่ตระหนักถึงเหตุปัจจัยส่วนพิเศษนอกเหนือจากเหตุปัจจัยที่เหมือนกันข้อนี้เกี่ยวเนื่องกับความตอนท้ายของข้อที่สองกล่าวคือ คนมักมองเฉพาะแต่เหตุปัจจัยบางอย่างที่ตนมั่นหมายว่าจะให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนั้นรันต่างบุคคลทำเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันแล้วคนหนึ่งได้รับผลที่ต้องการอีกคนหนึ่งไม่ได้รับผลนั้นก็เห็นไปว่าเหตุปัจจัยนั้นไม่ให้ผลจริงเป็นต้นดังตัวอย่างเช่นคนสองคนทำงานดีเท่ากันมีกรณี ที่จะได้รับการคัดเลือกอย่างหนึ่งเป็นธรรมดาที่คนหนึ่งจะได้รับเลือกอีกคนหนึ่งไม่ได้รับเลือกถ้าไม่ใช้วิธีเสียงทายโดยจับสลากก็จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นคนหนึ่งสุขภาพดีกว่าหรือรูปร่างดีกว่าและคุณธรรมหรือความสามารถทางปัญญาที่ยิ่งหรือหย่อนของผู้คัดเลือกเป็นต้นซึ่งล้วนเป็นปัจจัยได้ทั้งสิน้น ตัวอย่างที่ยกมาในที่นี้เกี่ยวกับหลักกรรมทั้งสิน้นแม้ตัวอย่างที่เป็นไปตามกฎอย่างอื่นก็พึงเข้าใจในทำนองเดียวกัน